เทศทุว่าทุกวนักวนคนฟังก็หน้าเก่าๆแต่ว่าหน้าตาเปลี่ยนนะแต่ละคนหน้าใสเนี่ยหน้าตาน่ารักน่เอ็นดูหน้าใสขนาดโยมที่เก็บผักอยู่พัทยานะเดี๋ยวนี้ยังดูใสเลยสาวกว่าเก่า <c oughs> <c oughs> ภาวนาแล้วมันสดชื่นเนี่ยความสุขอยู่ข้างใน ส่งผุดขึ้นมานะอย่างเวลาคนเครียดๆนะหน้าตามก็ดูไม่ได้คนโมโหนะหน้าตาก็น่าเกลียดคนโลภมากๆนะหน้าตาก็น่าเกลียดเคยสังเกตไหมพวกโลภๆนะแบบพวกบ้ากรรมอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นหน้าก็รู้เลยเห็นหน้าเห็นหน้านั้นเยิ้มไปด้วยกิเลสเวลาจิตเราดีนะ หน้าตาก็ผ่องใสเวลาจิตเราวุ่นวายไม่แค่หน้าเรานะโลกข้างนอกก็วุ่นเวลาจิตเราสงบนะหน้าตาเราก็สงบโลกข้างนอกก็สงบแต่สำหรับลูกหลานพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สงบเฉยๆสงบแล้วร่าเริงด้วยไม่สงบซึมๆแบบหรือชีชีพล ลูกพระพุทธเจ้าสาวพวกพระเจ้าสงบแต่ร่าเริงร่าเริงด้วยธรรมะธรรมะเป็นของร่าเริงธรรมะไม่ใช่ของหง่อยๆเงาๆของคนอกหักอะไรเงี้ยของคนผิดหวังของคนล้มเหลวในชีวิตเนี่ยเราภาวนามีความสุขมีความร่าเริงเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ใจของคนไม่มีธรรมะนั้นก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปเรื่อยๆอะไรๆก็แต่งหมดเลยอย่างไปภาวนาเห็นความปรุงแต่งรู้ทันความปรุงแต่งแล้วก็ถอดออกมาตัวรู้ไม่ไม่ดินน้นรนไม่ปรุงแต่งภาวนาประณีตลึกซึ้งเข้าไปอีกหน่อยเห็นตัวรู้นั่นแหละมีความปรุงแต่งเป็นความปรุงแต่งอีกทิ้ง เมื่อสองสวั น, นแม่ชีส่งกันบ้านบอกเมื่อก่อนเวลาอยู่กับตัวรู้นะโอ้มีความสุขนะข้ามาอยู่กับตัวรู้ตอนนี้เห็นแล้วล่ะว่าตัวรู้เป็นภพตัวรู้เป็นตัวทุกข์เนอะก็เห็นใค่อยๆภาวนาเห็นทุกข์แต่เรายิ่งเห็นทุกข์ยิ่งรู้ทุกข์นัใจยิ่งคลายออกคลายออกถ้าไม่รู้ทุกข์กใจก็ไปจับมากขึ้นมากขึ้นะ พวกเราภาวนารู้สึกตัวดูกายทํางานดูใจทํางานดูบ่อยๆจะไปใจเราเข้าถึงสันติสุขสันติสุขก็สุขของวัณิพา น, านคําว่าสันติก็คือคำว่านิพานนั่นแหละคําเดียวกันความหมายเดียวกันวัณิพานนะัมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือมีลักษณะสันติวัณิพานมีสันติลักษณะคือสันติ วันนี้เลยชื่อสวนสันติธรรมแปลวนน่านิพพางนงั้นเราภาวนาแหกใจเข้าถึงความสงบความสันติมีสติปัญญาถอดถอนความปรุงแต่งออกไปเรื่อยๆรู้ทันมันจิตนจะถอนออกถอนออกนะก่อนบวดหลวงพ่อนำสกุลสันตยากรนะสันตยากรอแปลว่าอะไรรูไ้ไหมบอกเกิดแห่งสันติ อะไรเป็นบอกเกิดแห่งสันตินล้วไหมผู้เจ้าบอกไว้นะปัญญาเป็นบอกเกิดแห่งสันติปัญญาเป็นเหตุใกล้ของสันติงั้นเรามาหัดชอบปัญญามาแต่เด็กๆนะเรื่องสมาธิก็ชอบทําแต่ว่าทําแล้วเบื่อรู้สึกไม่เห็นได้ไรมาเจริญปัญญาแล้วหลงปัญญานะเจริญรวดไปเลยทิ้งสมาธิไปช่วงหนึ่งนั่ผิดอีก สมาธิเราก็ไม่จริงหรอกใครฝึกจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขนะอย่างดูข่าวดูอะไรนะใจไม่หวั่นไหวดูแล้วก็เห็นโลกนี้เป็นทุกข์เห็นทุกข์ไหมดูข่าวตอนนี้ใครดูข่าวแล้วเห็นทุกข์บ้างมีไหมหลวงพ่อจนะจำไว้ว่าใครใครดูข่าวแล้วเป็นทุกข์บ้างไม่เหมือนกันนะเห็นทุกข์ไม่ทุกข์หรอกนะ ส่วนใหญ่ดูข่าวแล้วเป็นทุกข์อินไปกิดครันนะมันย้อมใจได้ความรู้สึกทั้งหลายมันย้อมใจแล้วค่อยฝึกนะค่อยแยกออกไปอะไรเป็นใจอะไรไม่ใช่ใจแล้วค่อยแยกออกไปได้หลวงปู่ดูลนท่านสอนนะท่านบอกว่าแยกรูปถอดก็ถึงความว่างแยกความว่างถึงมหาสุญญตาเนี่ยมีคำสอนนะ เพิกความปรุงแต่งออกถอนความปรุงแต่งออกไปอะไรเป็นตัวว่างๆจิตนั้นมันว่างๆพวะเราเห็นไหมว่าจิตเป็นคนดูมันเฉยๆว่างๆแล้วความปรุงแต่งทั้งหลายมันมาปรุงดีปรุงชั่วนะไหลมาตลอดเลยจิตนี่ว่างๆแยกว่างออกไปอีกเห็นอีกว่างนี้เขาปลุงว่างเนี่ย จิตมันปรุงดีปลุงชั่วขึ้นมาเรียกปลุงปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารขึ้นมาจิตเป็นคนรู้คนดูนะว่างสบายภานามากๆเข้าไปเห็นที่ว่าว่างเนี่ยปรุงว่างเรียกอเนิเนชาพิสังขารเพิกอเนินชาพิสังขารออกไปรู้ทันมันนะจิตวางออกไปอีกทีที่ปล่อยวางจิตได้ถึงมหาสุญญาตาตัวจริง ปุถุชนไม่เห็นมหาสุญญตาปุถุชนเห็นได้แต่ความว่างๆช่องว่างเรื่องอากาศะอากาศช่องว่างงั้นอย่างบางคนไปภาวนาแล้วก็ทำจิตให้ว่างไม่ได้เห็นมหาสุญญตาแต่ว่าเห็นช่องว่างเห็นอากาศอากาศไม่ใช่อากาศอย่างนี้นะอากาศมันหมายถึงสเปซไม่ใช่แอร์ไม่ใช่ ไม่ใช่เลยสเปซงั้นเราภาวนานะทีแรกจะเข้ามาที่จิตก่อนแยกสิ่งที่ไม่ใช่จิตออกไปนะรู้เลยของแปลกปลอมและจิตอันเดียวนะสงบสุขมีความสุขสบายว่างส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัตินะสมัยก่อนนะจะมาติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ที่ตัวว่างตัวรู้นี่เอง หลวงปูดูลเคยบอกหลวงพ่อครูบาอาจารย์ดังๆนส่วนใหญ่อะมาติดอยู่ตัวนี้เองแต่สมัยก่อนนะพูดไม่ได้นะคนยังดไม่รู้จักหลวงปุดูลดูถูกหลวงปุดูลได้ซ้ำไปบางคนเลี่ยงแบบดูถูกหนะลวงตาดูลเหรอจะมีอะไรจะมาโจทอธิกรท่านก็มีนะ ชวนกันมาบอกท่านอวดอุตริสอนอะไรเรื่องนิพพงนิพพานภาวนามไม่เป็นซะหน่อยไม่ได้พูดเรื่องพุโทโธพิจารณากายให้มามพูดเรื่องนิพพานอะไรชวนหลวงตามาหาบัวให้มาเล่นงานหลวงตาบอกพระองค์นี้เราไม่เล่นด้วยถึงได้ถอยออกไปคอยรู้จักท่านขึ้นท่านสอนท่านสอนดีนมากนะเห็นครูบาอจารย์องไหน บารมีได้เยอะขนาดนั้นนความรู้ของท่านมหาสาั่นเประเภทอยากรู้อะไรก็รู้นะ่ะวิจารณ์ได้กระทั่งไอน์สไตน์ทฤษฎีของไอสไตน์เก่งไม่ได้เรียนเท่าหนท่านสอนนะแยกรูปถอด ร, รูปถอดคืออะไรความปรุงแต่งทั้งหลายนนะั่นเองมันถอดขึ้นมาจากความว่าง ยัเห็นไหมราคาตัวสาผุดขึ้นมาจากความว่างมันถอดขึ้นมาท่านเรียกรูปรูปถอดเคยอ่านเจอไหมที่หลวงพู่ดุลสอนเนี่ยแยกรูปถอดก็ถึงความว่างแย่ความว่างถึงมหาสุญญตาคนก็งงรูปอะไรว่าถอดได้ก็ความปรุงนี่ความปรุงมันถอดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรจะสึกไหมผุดขึ้นกลางอกเนี่ยโลภก็ผุดขึ้นมาจากความว่างๆเห็นไหม กระทั่งความคิดนะก็ผุดขึ้นจากความว่างๆแล้วก็สลายไปในความว่างความโลภความโกรธความหลงก็ผุดมาจากความว่างๆผดุดขึ้นมาจากว่างๆแถวนี้ยผดุดขึ้นมาแล้วก็สลายไปแยกออกไปแยกใหมายถึงอะไรรู้ทันมันนะมันไม่ใช่จิตหรอกมันไม่ใช่จิตก็เรียกแยกขัน น, นั่นเองแยกขันได้เห็นความปรุงแต่งมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไป ใจก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ถึงวันหนึ่งใจก็มีปัญญาแก่รอบเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับกระทั่งตัวผู้รู้ผู้ดูก็ไม่รักษาถ้ารักษาตัวผู้รู้ผู้ดูก็เห็นว่าตัวผู้รู้ผู้ดูเที่ยงตัวผู้รู้ผู้ดูเป็นสุขเป็นอัตตาบังคับได้งั้นพวกลือศีนี่จะฝึกให้จิตเป็นอัตตางั้นพวกพราหมณ์พวกฮินดูนะว่าจิตเป็นอัตตา ผู้จเจ้าไม่ประคองรักษาตัวรู้เนี่ยเื่อเห็นตัวรู้เกิดดับได้ด้วยความปรุงแต่งก็เกิดดับตัวรู้ก็เกิดดับสุดท้ายปัญญาแก่รอบจริงๆมันก็จะเห็นนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวร น, น, นี่พอเห็นอย่างนี้แล้วนะเวลาสภาวะอะไรเกิดขึ้นมันจะแค่รู้แค่เห็นอะไรนี่เกิดขึ้นมาแล้วดับเกิดแล้วดับะมันถอดขึ้นมาจากความว่างแล้วก็ดับไปในความว่างจิตเป็นคนดูอยู่ ใจใจิตใจที่มาเห็นถึงตรงนี้นะจะสบายมีสมาธิสมาธิเต็มรอบเดินไปได้ถึงพระานาคามีตรงเนี้ยหลังจากนั้นก็ค่อยดูไปอีกนะถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมะก็จะเห็นว่าตัวรู้เองก็คือความปรุงแต่งเริ่มแยกความปรุงแต่งชั้นในสุดละคือตัวจิตตัวรู้นี่เอง เห็นตัวรู้เกิดดับตัวรู้บังคับไม่ได้ตัวรู้ก็เป็นความปรุงแต่งอันหนึ่งเห็นตัวรู้เป็นความปรุงแต่งอันหนึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวเห็นอนเนนชาพิสังขารตัวรู้ไม่มีรูปร่างไม่มีร่องไม่มีร่องรอยเลยนะตัวรู้เราเห็นร่องรอยของตัวรู้เนี่ยเห็นผ่านตัวปรุงแต่งตัวหยาบหยาบเช่นเราเห็นผ่านราคะโทสะโมหะ ผ่านสุขผ่านทุกขเ์เราก็จะเห็นว่าจิตที่รู้นะเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีราคาแล้วก็ดับจิตที่มีโทสะแล้วก็ดับจิตมีโมหะแล้วก็ดับอาศัยดูผ่านอาศัยดูผ่านสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกคือนะสิ่งที่มาปรุงแต่งสิ่งที่มาประกอบกับจิตตัวจิตเองไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นนะนี่เวลาภาวนาต่อไปเรื่อยนะเวลาที่เกิดอริยมรรคเนะี่ย มันเข้าไปถึงตัวจิตแท้ๆเข้าไปถึงตัวจิตแทะตัววิญญาณธาตุตัวธาตุแท้ๆที่บริสุทธิ์น่มันจะไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นเลยแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าจิตมีอยู่จิตจะแสดงความมีอยู่ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสจะปรุงความยิ้มแย้มขึ้นมานะาแต่ไม่ใช่ปรุงด้วยกิเลสนะจะปรุงความยิ้มแย้มลงปูดูเจิตยิ้ม การเรียกจิตยิ้มหมายถึงว่าจิตมันพ้นจากความปรุงแต่งจริงๆและเข้าถึงตัวแท้ของมันพาเข้าถึงตัวแท้ของมันมันแสดงความมีอยู่ของมันด้วยการยิ้มแปลกไหมไม่มีปากแต่ยิ้มได้จิตนี่แปลกๆนะไม่มีปากมันก็ยิ้มได้นะไม่มีหูมันก็ฟังได้นะแปลกใกล้ภานานนะโอ้สนุก ของไม่เคยรู้ก็ได้รู้นะไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไม่เข้าใจก็เคยไม่เคยไม่เข้าใจไม่เคยเข้าใจก็เกิดเข้าใจขึ้นนะจะวางเป็นลำดับลำดับไปที่แรกวางความเห็นผิดนะว่าตัวตนทาวรนี้มีอยู่ว่าเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับจิตทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับตัวรู้เกิดแล้วก็ดับภาวนาไปเห็นในความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นตัวทุกข์ตัวโทษ นะวางความปรุงแต่งลงไปเข้ามาอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะตรงที่เห็นว่าไม่มีเรานะเป็นภูมิธรรมของพระโสดาเนะข้ามาอยู่ที่จิตปัญญาแก่รอบขึ้นมาเห็นจิตเป็นความปรุงแต่งนะจะเห็นอีกคจริงเห็นบางคนเห็นก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้าจะได้พระอนาคามีบางคนแต่ว่า มันจะเห็นเป็นแบบๆพอจิตทรงตัวเด่นดวงนะเป็นพระนาคายังไม่เห็นเลยก็มีนะส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่หลวงปู่ดูลบอกอาศัยเคยได้ยินได้ฟังธรรมะก็ค่อยรู้ทันว่าตัวผู้รู้เนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งอีกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเห็นว่าวางได้วางตัวรู้ได้ อั น, นีที่เรียกว่าทำลายผู้รู้ทำลายผู้รู้คือปล่อยวางมันไม่ได้ไปทำลายตัวมันจริงๆภาษาของครูบาอาจารย์กรรมฐานทั้งทีฟังต้องระวังเหมือนกันบอกทำลายตัวรู้นะเราไประเบิดจิตทิ้งนะั่นบ้าเลยตอนนั้นจะเป็นบ้าไปเลยมันทำลายด้วยกันไม่ยึดมั่นดูไปเรื่อยแยกแยกแยกขันไปเรื่อยแยกสิ่งแปลกปลอมไปเรื่อยเห็น ทั้งขันทั้งสิ่งแปลกปลอมทั้งจิตนะเกิดได้ดับได้ฝึกดูไปด้วยปัญญาขั้นต้นเกิดอันนี้มากคขั้นแรกเกิดเห็นตัวเราไม่มีหรอกไม่มีตัวเราในความปรุงแต่งทั้งหลายไม่มีตัวเราในจิตนะจิตเองเกิดดับภาอนาต่อไปอีกเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลาย หเห็นทุกข์เห็นโทษเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมันวางลงไปมันทวนเข้ามาพึ่งพาอาศัยอยู่ที่จิตนี่จิตเป็นที่ฝักเป็นฝักตายตัวรู้นี่เป็นที่ฝักเป็นฝักตายถ้าไหลออกไปจากตัวรู้เมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นเลยหเห็นอย่างชัดๆเลยเพราะนถ้าจิตหลงไปทางตาเมื่อไหร่ทุกทันทีจิตหลงไปทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเมื่อไหร่ทุกทันทีเลยถ้าจิตทรงตัวอยู่ที่จิตนะก็มีความสุข นี่เอาจิตเป็นที่พึ่งที่อาศัยเพราะปัญญามันรู้ทันนะว่าจิตไหลไปยึดในรูปเสียงกยลิ่นรสโภทภะนะความทุกข์จะเกิดขึ้นจิตจะไม่เข้าไปจับรูปเสียงกยลิ่นรสโภทภะอีกเมื่อจิตไม่เข้าไปจับรูปเสียงกยลิ่นรสโภทภะการมราคะไม่มีเมื่อการมราคะไม่มีปฏิฆะก็ไม่มีก็ของอันนี้เป็นของคู่กันระหว่างกรรมกับปฏิฆะละตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ขาดไปด้วย ถ้จิตมันฉลาดเนืเห็นความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสประทับพระจิตก็ไม่ไหลไปหารูปเสียงกลิ่นรสประทับพระจิตก็ทรงตัวเด่นดวงในจิตของพวกเราเนี่ยมันเป็นจิต ท, ที่อยู่ในกามกา ม, มาวัจระกรรมมามวาจรจอนไปในกามจิตของเราเนี่ยจรไปหารูปหาเสียงหากลิน่นหารสสัมผัสอยู่ทั้งวันดังั้นจิตเราเที่ยวรล่นไปจอนไปเรื่อย แต่วันใดที่สติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเห็นเลยจิตจอออกไปแล้วจิตทุกขนะ์เลยไม่เอาไม่ไปเลยแบบโดยที่ไม่ได้รักษาเงินพระนาคามีเนี่ยจิตไม่จอไปถึงเรียกว่าสมาธิบริบูรณ์ไม่ต้องรักษาสมาธินี้บริบูรณ์คือไม่รักษาแล้วแต่ไม่ใช่ชานนะชานกระทั่งพาระอรหันต์จานวนมากได้แค่ปฐมฌาน ฤๅศีชีไฟได้ชานแปดก็มีเป็นปุถุชนนะ่สมาธิตัวนี้หมายถึงความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งอยู่ได้ด้วยปัญญามีปัญญาแก่รอบจิตไม่ไหลไปงตัวไม่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นพ้นไปจากกามและปฏิคะสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปันกลางคือรู้เลยว่ารูปเสียงกลินลน่นรสพุทธพาเป็นตัวทุกข์ นำความทุกข์มาให้จิตไหลไปหาเมื่อไหร่จิตทุกข์เมื่อนั้นนี่เป็นปัญญาระดับกลางปัญญาระดับต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วภาวนาอีกเคยได้ยินเคยได้ฟังครูบาอาจารย์สอนว่ากระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็เป็นตัวทุกข์นะหรือท่านสอนว่าทำลายผู้รู้นะเราก็รู้ว่าอย่างนิ่งนอนใจอยู่กับตัวรู้ไม่ได้ตัวรู้ว่าง ตัวรู้เป็นความว่างว่างสว่างแต่ไม่บริสุทธิ์ว่างสว่างนอาศัยสติอาศัยปัญญาเขาให้สังเกตเ่อย้ดูไปเขาดูของเขาเองอย่าไปจงใจดูถ้าจงใจดูจะกลายเป็นตัวสังขารไม่ใช่ตัวรู้จะเสื่อมลงมาจากสมาธิที่ทรงอยู่ในขั้นละเอียดจิตจะถอยออกมาหยาบขึ้นมาอีกะนั้นไม่เจตนาจะรู้นะ แต่อศัยเคยได้ยินได้ฟังเนะี่ยอสยสัญญาที่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะรู้ว่าตัวรู้เนี่ยยังเอาไม่ได้แปรปรวนอยู่ตัวรู้ที่ว่ า, วางๆเนี่ยรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนิรันดร น, นี่ไม่ใช่เลยนี่ถ้าจงใจรักษามาตั้งแต่แรกนี่เป็นทางของฤาษีเลยรักษาจิตแต่ถ้าภาวนา แยกรูปแยกนามนะเห็นทุกเห็นโทษของรูปนามมาด้วยดเราะมันวางความปรุงแต่งธรรมาที่จิตอันนี้เป็นภูมิธรรมแบบพระนาคาคล้ายๆ ก, กันกับพวกฤๅษีนะคืออยู่กับว่างๆแต่ไม่เหมือนกันพวกฤๅษีอยู่กับว่างๆโดยโลภะเจตนาไปอยู่พระนาคามาอยู่กับว่างเพราะรู้ความจริงของความปรุงแต่งกนะ็วางความปรุงแต่งก็ว่างขึ้นนะ งั้นอย่าไปทำความว่างขึ้นมาไปสร้างความว่างก็เป็นของจอมปลอมทั้งหมดเลยกรนะะทั่งจิตมันว่างของมันเองนะตัวรู้ว่างๆของมันเองยังเป็นความปรุงแต่งเลยคอยหัดรู้หัดดูไปเห็นโอ้ตัวรู้นี้ก็คือพบพบหนึ่งนั่นแหละเรนะาจะรู้สึกนะว่าตัวรู้นี้เหมือนมเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ ถ้อเมื่อไหรมเมล็ด น, นี้ ย, ย่างลงไปถูกทิ้งลงไปในที่ที่เหมาะสมนะมันจะงอกเป็นต้นไม้ขึ้นมาตัวรู้ตัวเดียวนี้แหละ ย, ย่างลงสู่ภพนะ่าสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกงั้นอย่างเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่ไว้วางใจไม่ได้ยังเป็นของแปรปลวนอีกก็ปัญญาแก่กล้ากนะ็จะวางตัวรู้ไปพ้นไปจากความปรุงแต่งที่หลวงปู่ดูลสอนแยกความว่างถึงมหาสุญญตา ถึงพระนิพพานตัวจริงในพระนิพพานมีดินน้ําลมไฟไหมไม่มีเมื่อไม่มีดินน้ําลมไฟนิพพานไม่มีรูปนิพพานมีสเปซไหมไม่มีสเปซก็ไม่มีนิพพานไม่มีภพภายในภพภายในคืออากาสานัญจา ย, ยตนะวิญญาณัญจา ย, ยตนะ กินจัญญายตนะในวสัญญาณาชัญญายตนะไม่มีในพระนิพพานนิพพานมีอะไรมีสันติมีสันตินะแต่จิตที่แก่รอบนะมีปัญญาแก่รอบมันวางวางวงวา ง, วา ง, วางตัวของมันเองลงไปไปเห็นนิพพานไปทรงพระนิพพานอยู่จิตที่บริสุทธ์นั่นแหละมันส่งพระนิพพานอยู่แต่จิตไม่ใช่นิพพาน นะจียอนิผ่านมันคนลสภาวะกันตอนนี้เราดูความปรุงแต่งกลางหน้าอกเคยเห็นจิตไหวบ้างไม่ใช่จิตหรอกจิตก็ไม่ใช่จิตนะตอนที่จิตปล่อยวางจิตแล้วหนะลวงปู่ ด, ดูลสออีกประโยคนะ จิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตฟังแล้วนะคนว่าหลวงปู่ดูลสอนปริศนานะปริศนาธรรมจริงๆพูดซื่อเลยไม่ได้ปริศนาหรอกพูดตรงๆเนี่ยจิตตรงนั้นมันไม่ใช่จิตอย่างที่เรามีมันแปลสภาพเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เข้าถึงความเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์จะว่ามันไม่ใช่จิตมันก็ไม่ใช่จะว่าเป็นจิตมันก็ไม่ใช่จิตอย่างที่เราเคยมี ก่อนจะแปลตรงนี้ได้นะมันจะไปเห็นอีกันหนึ่งนะหลวงปู่ดูนสอนบอกว่าถ้าเมื่อไรเห็นจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันกนะ็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์แแต่พอเข้าถึงความบริสุทธิ์นะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตมีรู้สิทธ่านองคหนึ่งนะเคยไปต่อว่าท่านหลว ง, งพ่อคืนหลวงปู่สอนในะอย่างเนี้ยแหละฟังยากมากเลยหลวงปู่พูดเอาแต่ได้ หรือว่างี้นะคือท่านไม่ได้ปรามาสนะเป็นคนบ้านนอกแบบไม่ได้เรียนอะไรเท่าไหร่หลวงปู่พูดเราแต่ได้พูดง่ายง่ายอ่ะทายากอะา่ะหลวงปู่ทาได้คนเดียวมัเห็นมีใครทําได้หร <c oughs> <c oughs> ือวาย่า้คำสอนหลวงปู่ดุล น, นะละเอียดลึกซึ้งมากเลยแต่ละคําแต่ละคํานะภาวนากันต่างตายกว่าจะเข้าใจ <c oughs> พวกเราเคยเห็นจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันเดียวกันไหม ก็เราหัดแยกมันออกจากกันใช่ไหมแล้วไม่มันกลายเป็นอันเดียวกันอีกละเราหัดแยกรูปแยกนามเนียจิตกับสิ่งอื่นๆแยกออกจากกันทําไมไปเห็นเอันเดียวกันได้เห็นั้นเดียวกันเพราะว่ามันมันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เพราะงั้นจะไม่ใช่สงวนรักษาจิตเอาไว้ดวงเดียวนะเห็นของอื่นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนรตะวางหมดแล้วสงวนจิตเอาไว้มันเป็นเสมอกันมันเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นไตรลักษณ์หรอกก็คือการเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นตัวรู้เป็นไตรลักษณ์นั่นเองก็จะเห็นว่าจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันเดียวกันเห็นอันนั้นก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วพอถึงที่สุดแห่งทุกข์นะจิตเนี่ยแปลสภาพแปรสภาพไปเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์จิตกับธรรมนะรวมเป็นเนื้อเดียวกันจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันจิตนั่นแหละเป็นพระสงฆ์ แยกไปทันเดียวกันเร่องธรรมะนะว่าประนิตนึกซึงสนุกมากเลยในการเรียนตั้งอกตั้งใจนะรักษาศีลห้าไว้รู้เน้อรู้ตัวไว้ทุกวันดูกายดูใจทํางานไปเดี๋ยวค่อยเ ข, ข, ข้าใจนะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์ตอนที่ท่านพูดให้ฟังเราก็อ้าปากว่อเหมือนพวกเรานี่แหละฮ <laughs> ะอย่างที่ก็มีด้วยเหรออะไร แล้วในใจก็นจริงเปล่าต้องลองดูนะไม่เคยปรามาสครูบาอาจารย์เลยนะแต่ว่าหลวงปู่เคยถามว่าเชื่อไ้ยไม่เชื่อครับใจมันไม่เชื่อจริงยังไม่เชื่อครับ๋ยวนะจะไปลองปฏิบัติ ด, ดูหลวงปู่บอกอย่างนี้ใช้ได้คือถ้าไม่เชื่อครับกูไม่เชื่ออย่างเดียวกูไม่ปฏิบัตนะินี่โง่ที่สุดเลยนะหรือเชื่อครับ พูดอะไรเชื่อหมดเลยนี่ก็โง่อีกแบบหนึ่ง น, นะอเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่อีกเงี่ยฟังหูไว้หูนะฟังแล้วก็ไปลองปฏิบัติดูแล้วต่อไปไม่ต้องเชื่อแต่มันจะเป็นศรัทธามันไม่ใช่เชื่อแบบแบบงมงายนะแตนศรัทธาเต็มร้อยเลยอย่างหลวงพ่อนะใครมาบอกว่าให้บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดนะใจไม่เชื่อหรอกยังไงก็ไม่ผิดถ้าผิดก็คือเข้าใจผิดนั่นหละ พระไตปิฎกต้องรักษานะรักษาอย่าให้ใครเข้ามาดัดแปลงได้พระสมัยก่อนนะสืบทอดรักษาพระไตปิฎกกันมานะตั้ง 2,600 ปี500ปีกว่ารักษากันมายากลำบากมากเลยกว่าจะรักษามาได้ตอนอยุธยาแตกวัดวาอารามถูกทำลายคำภีถูกทำลายไปเกือบหมด ในการที่หนึ่งนะอดทนมากเลยรวบรวมคำภีใบลานทั้งหลายมายนะมาประมวลนะมาดูค่อยๆรวมรวมรวมขึ้นมาในสุดก็ทำสำเร็จจารพระไตรปิฎกลงไปในใบลานสำเร็จนะนะปิดทองอย่างดีเลยเรียกฉบับทองทึบนะสร้างหอเก็บพระไตรปิฎก สา ต, ตู้เก็บไม่ทันไหลเลยนะฟ้าผ่าไฟไหม้ไฟไหมห่อเก็บพระเตยปิดอกอันนะั้นทั้งเจ้าทาั้งไพ่นะไม่เลือกเลยนะลุยเข้าไปช่วยกันขนพระไตยปิดกออกมานะเนี่ยเสียงมากเลยนะกว่าจะทําได้ทั้งหลายปีเพราะว่านั่งเขียนเอาเนี่ยนี่มันเป็นแค่ซอฟต์แวร์ใช่ไหมก็ออกมาแป๊บเดียวก็เสร็จนั่งจดกันนะ ไฟยามมาไหมอีกแล้วทำมาแทบแย่ลุยเข้าไปขนออกมาสร้างหอเก็บใหม่ทำที่เก็บใหม่อีกอย่างเงี้ยกว่าจะรักษามาจนถึงมือพวกเรานะยากมากนะงันต้องรักษาสืบทอดไว้ให้ดีอย่าไปปล่อยให้ใครทำลายทิ้งซะนะประเทศไทย เ, เพิ่งเกิดสมัยการที่ห้าเองนะประเทศไทปีโดบเกิดมาตั้งหลายพันปีแล้ว ก่อนหน้านั้นไม่มีประเทศไทยไม่มีรัฐชาติเอาไปกินข้าว